พระธรรมเทศนาแผ่นที่59าลำดับที่24โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สมิถุนายน2554มีชื่อเรื่องว่าเรียนพระวินัยกับพระใหม่แวันที่วันที่ห จะมีการบวชพระวัดเรานะสี่องค์นะจะมีการบวชสี่องค์วันที่ห้ า, าคงจะไม่ได้เตรียมอะไรมากเพราะว่าคิดว่าพี่น้องของแขกคงไม่มากเพราะแขกเพราะหนากตรงนี้ก็คงจะแบบบวชแบบง่ายๆก็ดีละมีแต่พี่น้องมายืนยันเว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จังใจบวชธ น, นพอ ไม่ใช่ว่าบวชเข้ามาแล้วก็หลบหลลี้ที่ลีกๆมาบวชอันนั้นไม่ได้อันนี้บวชก็ยืนยันพ่อแม่พี่น้องผู้ทรงคุณวุฒิของตระกูลหรือว่ามอบหมายมายืนยันบวชหรือว่ามีหลักฐานยืนยันมาแล้วก็ทางนี้ยืนยันอีกบวช เพราะว่าในหลักพระวินัยก็มาตาบิดามันดาอนุญาตหรือยังจากนั้นก็ทางฝ่ายบ้านเมืองราชพระราชาอนุญาตหรือยังเป็นนี่เป็นศีลหรือเปล่าคือพอมาบวชท่านก็ถามทมอันตรายยึดกรมทะ คืออันตรายที่จะเป็นผลแห่งการบวชของเราเนะี่ยมีอะไรบ้างนะแล้วก็ถามถามถามเราจะไปโกหกก็ไม่ได้นะเราจะบวชทั้งทีเราก็ต้องบอกคำว่าคาว่าเป็นนี่สินมันก็ น, น, นิดนแต่หน่อยก็คงจะไม่เป็นไรคำว่านี่สินคำนี้ก็คงจะมากมายจนถึงกับหลบปลีกเจ้าหนี้ยนเจ้าหนี้เห็นแล้วก็ไล่จับพระศึกสมัยก่อนพอ มีหนี้ศีลแล้วก็ น, นี้ไปบวชพอหนีไปบวชนเะจ้าหนี้เขาตามหาอยู่ตลอดพอเห็นแล้วเขาต็คบคาพระคร า, ผ า, าผ้าเหลืองเนี่ยมันก็ขายหน้าพุทธศาสนาหลบหลีกหนี้มาบวชอันนี้ในพระวินัยก็เลยว่ามีหนี้มีศีลไหมที่จะบวชเนี่ยก็ต้องตอบพระอุปัชฌาย์อาจารย์ มันไม่มีนิสมีสินแต่ยเป็นอันตรายถึงขนาดนั้นคือว่ามีนี้สินก็มีผู้รับรองมีลูกผู้รับประกันให้ถึงจะมีนีิสินก็ต้องมีผู้รับประกันรับรองให้ขณะที่บวชเนี่ยไม่ให้เจ้าหนี้มาจับศึกแบบนั้นอะนั่นลักษณะอย่างนั้นแหละนี่แหละอันนี้ก็คือการบวชตามไม่จริงทับพระวินยัยท่านก็พูดละเอียดละอ่ ถ้าปฏิบัติได้นี่แหละโดยมากมันทุกวันนี่มันสุกเอา เ, าเผากินโตโตเตะมากระจับมาบวชหมดาตามไม่ยิงบวชเข้ามาในบวชให้คนกราบคนไหว้นะเราต้องคิดดูให้ดีไม่ใช่ว่าปั้นพระพุทธรูปทำอะไรเมีเยมาย า, า, ยาไปเรื่อยคนที่ไปกราบก็ไม่เกิดจททัทธรรมกันก็ต้องทำให้สวยงาม ถูกสุขลักษณะเพราะพระพุทธเจ้างามอยู่แล้วเมื่อปั่นพระขึ้นมาก็ต้องทำให้สวยงามคนไปกราบก็ได้เกิดศรัทธาว่าพระพุทธเจ้าสมเป็นมหาลักษณะปุริสารลักษณะบริบูรณ์สมบูรณ์ไม่ใช่่าคิดอยากจะปั้นก็ปั่นขึ้นมา ทั้งที่จะเป็นเครื่องบูเชิดชูบูชากลับเป็นเครื่องทําร้ายทํำลายศรัทธาของผู้คนที่เข้าไปกราบไปไหว้อีกบวชพระในพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันก็ต้องเอาคนดีมีกิริยามารยาทพอบวชเข้ามาแล้วก็ให้คนกราบคนไหว้ได้สนิทใจเพราะว่าเป็นพระที่ดีมีศีลธรรม แต่ลูกร่างกลางตัวนาจะเป็นคนขี้ร้ายขี้เละยังไงอันนั้นเขาไม่ว่ากันข้อสำคัญให้มีคุณธรรมในจิตใจอยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยอย่าไปทำอะไรออกงอกดูนอกทางให้คิดดูให้ถามพวกเราดูถ้าหาว่าเป็นเราเป็นครวาดนะ์เน่ะเราทำตัวอย่างเนี้ยเราจะกราบพระอย่างเราได้ลงไหม ถ้าเราทำตัวอย่างนี้กิริยามารยาทอย่างนี้ใช้วาจานักเลงอย่างนี้ถ้าเราเป็นคราวสาเราจะกราบเราลงไหมเนี่ยต้องถามตัวเองถ้าหาว่าเราถามตัวของเราอยู่เสมอกิริยามารยาทของเราก็จะดีขึ้นไม่ใช่ว่าเรามีผ้าเหลืองมาหุ่มตัวแล้วก็ลืมตัวเ่ข้าเป็นใครไม่ใช่อย่างนั้น ต้องคิดดูเขาคนอื่นเขาด้วยต้องคิดรูดูผู้ที่จะมากราบมาไหว้มาเคารพนับถือเราด้วยที่จะมาเป็นลูกศิษย์ลูกหาของเราด้วยไม่ใช่ว่าอาจารย์เหมือนกับบ้านเธอเลยท้าราชไปเรื่อยผู้ที่เขามากราบมาไหว้มาเคารพนับถือเขาคนเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้เราเป็นพระ สรุปแล้วก็ให้อยู่ตามหลักพระธรรมวินยัยอันนั้นถูกต้องที่สุดหลักพระธรรมวินัยเป็นอย่างไรให้เรามีศีลให้มีวินัยตามนั้นถึงจะละไม่ได้วาดนิสัยวาสนาไม่ได้แต่ก็จะให้มันเกินไปถ้ามันเกินไปแบบคารวะาทํำยังไงตัวเองก็ทําได้อย่างนั้นมันก็เกินไปก็ไม่ถ้าผู้มีธรรมแล้วก็น่าจะคิดว่าอไห น, นควรไม่ควรอย่างไร อย่างภาษาเรบูดเนี่ยท่านกระโดดข้ามคลองหน่อยเดียวอันนั้นก็ไม่เป็นไรเพราะกระโดดข้ามคลองท่านเองจะไปทำออกนอกรูนอกทางมากกว่านั้นก็น่าคิดเหมือนกันนะเพราะสิ่งเหล่านี้เราเป็นพระสงฆ์เราต้องศึกษาในในหลักธรรมคำสอนในศึกษาในหลักพระธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาดาเนินมาอย่างไรเราก็พยายามเดินตาม ที่ท่านพาดําเนินมาอันนั้นคือความถูกต้องท่านเราเดินแปลกแวกแนวไปไม่ได้นะดูดูแล้วมันมันไม่ถูกมันไม่เหมาะสมมันไม่เหมาะสมก็คือไม่ถูกต้องตามลำตามหลักพระธรรมวินยัยเมื่อตามไม่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยแล้วญาติโยมพุทธศาสนาไม่ใช่ของเราคนเดียวนะมันเกี่ยวเนื่องกันนะทั้งพระสงฆ์ด้วย ทังญาติโยมด้วยรักษาศีลให้เสมอกันพิกรักษาศีลให้เสมอเหมือนภิกษุสา ม, มเณรอื่นคือไม่ให้เป็นตําหนิของไม่ให้เป็นที่ตําหนิหรือลังเกียรติภิกษุสา ม, มเณรที่อยู่ด้วยกันและก็มีทิฏฐิเสมอกันกับภิกษุสา ม, มเณรอื่นคือมีความเห็นว่าเราจะทํำยังไงภาวนาอย่างไรเราจึงจะพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสาร ตามแนวแถวพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกเอาไว้คือทิฏฐิคือความเห็นพยายามมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอย่างนั้นในใจคืออยากจะเป็นพระที่ดีพูดง่ายๆให้พระให้เป็นพระที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวักิเลสตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนไว้อันนี้ก็คือทิฏฐิจากนั้นกว็วางตัวศีล ขอบคองให้มีมารยาทที่ดีนี่แหละถ้าหามาพวกเราคิดไว้ในใจอยู่อย่างนั้นเสมอไปอยู่ณสถานที่ใดอยู่ณสถานที่ใดไปอ ย, อยู่กับครูบาอาจารย์องค์ใดก็ไม่ขวางไม่ขวางชุมชนไม่ขวางโลกเขาเนี่ยคือพระนะสรุปแล้วก็คือให้มองตนเอง แบบย่นย่อมาก็อย่างที่ได้พูดเบื้องต้นว่าถ้าเราทํ า, า, า, า, อ า, อ า, าอย่างนี้กิริยามลายาตอย่างนี้อกับกิริยาอย่างนี้ถ้าเราเป็นฆราวาสเราจะกราบพระอย่างเราลงไหมกราบกับความสนิทใจไหมอันนี้คือให้ถามตนเองดูเสมอถ้าถามอยู่เสมอแล้วมันจะไม่ลืมตัวเลยสิ่งไหนที่จะเป็นศีลเป็นธรรม เป็นธรรมวิัย์ในเราก็จะปฏิบัติตามนั้นแต่นั้นก่อนเนี่ยการเป็นอยู่ทุกอย่างหลวพ่อพระเจ้าท่านกขาบอกท่านก็สอนไว้หมดเราจะนุ่งห่มให้เรียบร้อยนุ่งห่มมันก็ไม่สเสเพ็บสว่าบนุ่งห่มก็คือผ้าปิดหลุมคอข้างบนปิดหลุมคอไม่ให้เห็นไม่ให้เห็นหลุมคอทางล่างก็ครึ่งแข้ง ปริมณฑลปริปริมานระลังนิวาสีสามิติศึกข้าคารณียานน่งห่มให้เรียบร้อยเวลาเข้าไปในบ้านมม ก, ก็มายกจีวรขึ้นมาพาดบ่าแกวอาห่มให้เรียบร้อยเอ้วก็มีตาสำรวมในการเดินเข้าไปในหมู่บ้าน อ, อย่าไปเชิดหน้าดูอะไรต่อไม่อะไรจนไม่ดูถนนเกิน อันนี้คือสมณะมีตาสำรวมเราจะเดินไปด้วยดีมีความสำรวมทั้งเดินทั้งนั่งอันนี้คือมารยาทของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนไว้สําหรับสักกิบุตรพระพธเพราะพระพุทธเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นตระกูลของกษัตริย์มารยาทในการเดินในการไปที่ไหน การนั่งเราจะไม่หัวเราะเสียงดังไปนั่งในบ้านทั้งไปด้วยทั้งนั่งด้วยเราจะไม่พูดเสียงดังไปนั่งในบ้านเราจะไม่เอาผ้าคลุมศีรษะไปนั่งในบ้านเราจะไม่เดินกระโยงเท้าเข้าไปในบ้านเราจะไม่ไกวแขนแบบไกวแขนไปในบ้านไปในบ้านมีมากในพระวินยัย รอซึ่งการฉันอีกเราจะฉันบินฑบาตโดยขอรบเมื่อฉันบินฑบาทเราจักแลดูแต่ในบาตไม่เถอะไปทางนอกให้แลดูในบาทเวลาฉันฉันจังหันเราจะไม่ฉันดังจับๆเราจะไม่ฉันดังสู้ๆเราจะไม่ฉันเรียมือเราจะไม่ฉันเรียริมฝีปากเราจะไม่ฉันทํากระพุ้งแก้มให้ตุ๋ย เราจะไม่ฉันพรางสะบัดมือพรางอันนี้คือมารยาทการจะเคี่ยวอาหารไอ้ที่หลวงพ่อเคยพูดหลวงตามหาบัวให้ท่านนั่งนั่งลักษณะนั่งนั่งทางกลางอย่างนั้นน่ะนั่งต้นเสาตรงกลางที่ศาลาพระก็นั่งหลอกปลอบไปเวลาท่านนั่ง ตั้งแต่ฉันแบบโว้รงทานในฉันอาหารในสวยงามมากหาหาดูได้ยากฉันแบบมีสติจริงๆดูแล้วเวลาจะเอาข้าวเข้าต่าะละคำแต่ไม่ใช่แสแซงนะมันเป็นนิสัยของท่านมาเลยพอฉันเข้าไปในะตั้งแตนั้นเงียบถ้าเหลือไปไปเห็นองค์ไหนตาเถอออกไปข้างนอกเลยมันทำไมไม่ดูบาด มันทำํำไมมองออกไปข้างนอกพอเอาเข้าเข้าปากเทนนั้นนะ่ะอาหารเตะลิ้นเท่านั้นนะ่ะตาเถื่อนขาดสติทําไมทําไมไม่สํารวมอ๋อไม่ใช่ท่านไม่ดูนะท่านเหลือปั๊บเดี๋ยวท่า น, นเห็นนละถ้าว่าฉันอะไรก็ตามวางอะไรลงกระโถนดังแกล๊กไม่ว่าอะไรดังแกลัด แ, แต่พอมาแกลัดทีอสองขึ้นมาอีกเลย แก๊กที่สามคนนั้นแ่ะออกมาเลยล่ะหูมันไม่ได้ยินเหรอจะวางของสิ่งไหนลงไปใไนกระโถนเน่ะเราอยู่ที่นี่เรายังได้ยินมันไม่ลำคาบ้างเหรอแสดงว่าใจไม่มีธรรมนั่นไม่ค้ำมาขาดสตินั่นเวลาจะวางของอะไรก็ค่อยวางๆไปรู้ไหมวิธีการที่จะไม่ให้มันเสียงดังเอาน้ําลงกองก็ไรเอากระดาษ เอาใบตองลงก่อนก็ได้ทิงที่มันไม่ให้มันดังมันมีอยู่ทำไมไม่ทำอย่างนั้นฮะมันเช่งขนาดนั้นเหรอแล้วก็ฉันต่อเลยแต่จากนั้นพอพระฉันดังฉันถั่วก็ดีฉันแตงก็ดีฉันแตงกวาก็ดีที่มันดังกอบกอบ เหลือบตาม่นทำไมฉันอะไรทำไมเสียงดังนักเราดูที่นี่เรายังได้ยินหูกับปากของท่านมันอยู่ติดกั น, นทำไมไม่ได้ยินแสดงว่าไม่มีสติในการฉันใช่ไหมเวลาจะฉันก็ต้องระวังถึงจะให้มันเสียงดังเห็นไหมหมู่พเพื่อนเราอยู่ที่นี่เราเคยทำไหม เวลาเราจะฉันทีแรกเอาแตงเข้าไปอกถั่วเข้าไปต้องเข้าไปแล้วกดแรงๆเคี้ยวแรงๆสักสองสามครั้งพอมันแตกแล้วจะค่อย เ, เคี้ยวอ่าิธีการมันจะดังได้อย่างไรถ้าฉันโดยมีโดยการมีสติเบนเสียจะยัดเข้าไปแล้วเคี้ยวแบบไม่มีสติก้วงกล้ามไปเรื่อยมันก็ดังเลยเสรนี่วิธีการครูบาอาจารย์ท่าน แนะนำสังสอนสิทเวลาจะลุกขึ้นมาต้องดูบริเวณที่นั่งของตัวเองไม่ให้มีเมล็ดข้าวตกลงในบาทหรือในที่นั้นๆที่พูดมาทั้งหมดเป็นสินของพระทั้งหมดสรุปแล้วก็คือศินไม่ได้อยู่ไกลยอยู่ใกล้ๆพวกเรานั่นคือกิริยามารยาทการเป็นอยู่นั่นแหละคือสินสินของพระ เราจะไม่ฉันดังแจ๊บจก็คือศินสี่สิบเจ็ดในข้อหนึ่งล่ะเราจะไม่ฉันดังสุดๆเออเวลามันเพ็ดก็โชดชาติมันดูมันไม่งามพอพระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์ถึงพวกเราจะเป็นลูกตาสีตรรมตสศสีตาสาตมีตมาน่าลูกชาวไร่ชาวนาก็เถอะในเมื่อเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศากยบุตรปเป็นบุตรของพระพุทธเจ้า ให้เข้ว่าเป็นตระกูลของกษัตริย์เมื่อบวชเข้ามาแล้วต้องเอากิริยามารยาทของกษัตริย์มาใช้ในการเป็นอยู่เราจะไม่ฉันดังชูดชูดเราจะไม่ฉันดังจับจัเราไม่ฉันเลียมือเราจะไม่ฉันเลียริมฝีปากฉันเลียมือมันจะงามที่ไหนเราจะไม่ฉันกัดคำข้าวมีคำข้าวปัญญายาเราก็กัดดูแล้วมันงามมันก็ไม่งาม พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติวินัยขึ้นมาแต่ละข้อละข้อนั้นเป็นล้วนแล้วจะเป็นศีลทั้งหมดที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเพราะนั้นพบพระใหม่ทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายที่เขามาบวชให้ศึกษานี่แหละถ้าทําถูกอย่างนี้แล้วไปอยู่นสถานที่ใดการอยู่การฉันก็เข้ากับหมู่พกเพื่อนครูบาอาจารย์ได้ทั้งนั้นแต่ถ้าว่าไปฉันนสถานที่ใดเกลื่อนไปหมดเออ เวลาฉันเสร็จแล้วหนะึ่งองค์อื่นจะเข้ามาทําความสะอาดย่องเข้ามาไม่รู้จะเหยียบน้ําแกงไม่รู้จะเหยียบเนือข้าวไม่รู้อะไรเละเอะเทอะเปื้อนเปรอะเทะเทอะไปหมดอันนั้นแปลว่าไม่มีวินัยในการเป็นอยู่ถ้ามีวินัยแล้วก็ต้องเวลาจะทําอะไรต้องดูต้องมีผ้าอะไรเช็ดผ้าขีดลูกไมีถึงเยอะแยะไปเช็ดทําความสะอาด อย่าให้มีปัญหาสาหรับผู้อยู่ดูเวนศาลาทําความสะอาดก็ได้ไม่ทําความสะอาดก็ได้เพราะว่าทุกองที่มาฉันที่ศาลาทำความสะอาดไปแล้วเมล็ดข้า ว, วผั ก, วกน้ำจดไม่ได้ต้องเช็ดให้สะอาดก่กอนก่อนลุกไปเรามีตาอยู่แล้วมองดูให้รอบด้านก่อนที่เราจะลุกมันเปื้อนตรงไหนอย่างไรเราต้องเช็ดให้สะอาด เราจงค่อยออกจากที่ของเรานี่แหละอันนี้คือพระพินัยของพระยาสิ่งเหล่านี้พระถ้าคณะศรัทธาญาติโยมนำไปใช้ไปสอนลูกสอนหลานก็เป็นมารยาทที่ดีใครเอาไปใช้ดีทั้งหมดพบของดีกดแะเบียบดีมีมารยาทที่ดี เราจะไม่ฉันเมื่อคําข้าวอยู่ในปากเราจะไม่พูดอันนี้ก็บพระวินยัยเหมือนกะันใน227ข้อเมื่อคําเมื่อข้าวอยู่ในปากเราจะไม่พูดมันดูดีไหมเวลาพูดเขามาเม็ดข้าวคนเด่นออกไปใส่ถาดใส่จานคนอื่นเขาพูดรัวๆ เ, เวลาจะพูดก็ต้องกลืนซะก่อนกลืนข้าวซะก่อนมีอะไรผมว่ากัน แต่เวลาขณะฉันห้ามพูดท่านก็ไม่ได้ว่าดิไม่พวินไม่มีพระวินยัยบางทีมีอะไรฉุกเฉินขึ้นมาเลยจะทำยังไงใช่ไหมในขณะที่ฉันพราะพระตเจ้าท่านก็ไม่ห้ามให้พูดได้แต่ว่าก่อนพูดนะจงกลืนคําข้าวซะก่อนเมื่อข้าวอยู่ในปากเราจักไม่พูดะให้กลืนซะก่อนยังค่อยพูดเวลาถามเนื่ยเหมือนกันตรงพระกูบายจารย์ถามไปไง่ายเรื่องนั้น ถ้าตัวเองยังเคียวข้าวอยู่ก็ต้องกิ น, ก น, นแล้วก่อนคืนเสร็จแล้วค่อยตอบท่านก็รู้วิวนัยว่าอะไรคืออะไรแต่ทำไมตอบช้านักท่านคงไม่ว่าเพราะข้าวอยู่ในปากอยู่อันนี้คือพรบวินยัยเป็นที่รู้กันนี่แหละวินัยเป็นเครื่องละเอียดอ่อนนะคือกดระเบียบนอกจากนั้นก็มากันนั่นเออเราศึกษาดูกิริยามนรษา์เตีองต๊เรื่องเตียงเตียงเหลืองเก่าอี เราเอามาใช้ผุกหมุกหมอนเอามาใช้แล้วเก็บไว้ที่เดิมเพราะของใช้ทุกอย่างมันเป็นของสงฆ์ไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ใช่ของหลวงพ่อไม่เป็นของสงฆ์เป็นของกลางเป็นของพระพุทธศาสนาในเมื่อเรานำเอามาใช้แล้วให้เก็บเข้าที่เข้าทางอย่างเกา่าอย่าไปทิ้งเกลื่อนนะอันนี้ก็คือจะเอาจอบเอาเสียมเอาการะบมกระลมังอะไรมาใช้เมื่อใช้เสร็จแล้วให้เก็บไว้ที่เดิม คนอื่นเข้ามาเขาก็จะ ด, ดิบเอาไปใช้ได้เพราะนี่เป็นคือของใช้สาธารณะของวัดอันนี้คือพระวินัยถ้าเราดูแล้วโอ้วินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านดูแล้วก็ท่านละเอียดอ่อนอก็ตลอดถึงเข่าห่องน้ำห่องถาเป็นยังไงสถอดรองเท้าซะก่อนลองค่อยเข้าไปในเห ย, ยียบอะไรในพระวินัยมีนะ มีชื่ออีกต่างหากแหะเขียงเท้าหรืออะไรลักษณะอย่างนั้นลงครัวครัวไฟเข้าไปทํำยังไงสาลาทํำยังไงเสนาชนะสงฆ์ทํำยังไงคณะเมื่อไปนอนเมื่อพระสงฆ์เขาจัดไปนอนกุฏิเขานอนกุฏิเสร็จแล้วเวลาจะออกจากกุฏิแล้วเราต้องเก็บให้เรียบร้อย เอเรียบร้อยเสร็จแล้วเราจะมอบหมายกุฏิอีกเออให้ไปดูกุฏินะมอบกุฏิคืนนะอะ ค, อคือมอบกุฏิคืนอีกนะมอบกุฏิคืนให้เจ้าของเขาเพราะลณะที่เราไปใช้นี่คือเราไปจองกุฏิอยู่แล้วพอออกมาแล้วก็ต้องมอบกุฏิให้แก่พระองค์ใดองค์หนึ่งเนไปดูนะผมดูละละเรียบร้อยแ ล, ะละ้วล่ะแต่ว่าให้ไปดูอีกถึงไหนที่ไม่เรียบร้อย มอบเสนาส น, าานะคืนนะอันนี้คือพระวินยัยขนาดนั้นนะพระพุทธเจา้าอันนี้คือสินข้อหนึ่งอีกเหมือนกันป้าจิตตีอีกต่างหากนะนักตัวนี้เพราะนั้นพวกพระทั้งหลายนะหลวงพ่อก็จะไม่ค่อยได้พูดเรื่องกฎเรื่องระเบียบเรื่องวินยัยแต่ที่งยังไงให้พวกท่านทั้งหลายไปค้นคว้าศึกษาพระวินัยเป็นของตายตัวอยู่ในหนังสืออยู่แล้วเหมือนกับกฎหมายนะ เราไปค้นคว้าศึกษาแต่ตัวไหนไม่เข้าใจตีความหมายไม่ออกเอออ น, นั้นมาถามแต่ว่าทุกองค์ต้องศึกษาเรื่องวิ น, นัยถ้าพวกเราอยู่ด้วยการไม่มีกฎไม่มีวิ น, นัยไม่ได้การจะทะเลาะวิวาทกันก็เหมือนกันองค์หนึ่งแนะนําสั่งสอนเราโมโหโกธาแสดงว่าไม่อยู่ในกฎไม่อยู่ในระเบียบไม่อยู่ในวิ น, นัย แเมื่อออกพรรษาเราปรว า, ารณากันแล้วสร้างคำพันเตปวารเรมิเตะวาสุเตนวาวปริสังกายวะวัดันตุมังผมขอปวารณาต่อสง่งกายกรรมสิ่งไหนก็ตามที่ผมทําไม่ถูกต้องวจีกรรมการพูดของผมก็ตามที่มันไม่ถูกต้องมโนกรรมก็ตามที่ผมคิดยังไงที่มันไม่ถูกต้องที่พวกท่านทั้งหลายเห็นว่าผมเป็นมิจฉาทิฏฐิ ขอให้พวกท่านทั้งหลายว่าก่าวตักเตือนผมได้ผมจะปฏิบัติและสั้รวมระวังต่อไปอันนี้คือการประวารณาในส่งแต่ในท่าว่ามูพวกเพื่อนเตือนน้อยๆก็โมโหโกธาขึ้นแสดงว่าตัวเองไม่มีคำสัตว์พูดแต่ทีแรกท่านเองเวลาเขาเตือนขึ้นมาก็ไม่ยอมรับแต่อันนี้ก็ไม่ถูกต้องแต่ผู้ที่เตือนเหมือนกันผู้ที่กล่าวเตือนก็ต้องดูกาลเทศะดูตามาต า, า, ต า, าเรือเส้ยก่อนว่า การพูดไปนี่จะเสียหายไหมพูดต่อหน้าคนหักหน้าหักหลังกันดูถูกกันเลยมันก็ไม่ถูกเหมือนกันทําให้เขาเสียหน้าขายหน้าเราต้องฟังดูซะก่อนมีแต่หมู่พวกเพื่อนเดียวกันใช่ไหมออบอกกันสิ่งเหล่านี้ก็ต้องการเตือนก็ต้องดูการสถานที่บุคคลเหมือนกันไม่ใช่ว่าอยู่ในฐานะกำนันอยู่ที่ไหนๆก็ไปเตือนกันอยู่ตรงนั้น อ, องค์ที่เตือนเป็นอบัตทุกกรอีกไม่รู้จาั ก, การาเทศมันเป็นอย่างนั้นนะวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนพอสมควรเพราะนั้นขอให้พวกเรานะพวกพระกระ้ตรอดถึงสัททายาติโยมด้วยน ะ, ะผู้ได้ยินได้ฟังเนี่ยนำไปคิดดูซิหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหลวงพ่อว่ามีประโยชน์ ดีสำหรับนำมาประพฤติปฏิบัติศีลและวินยัยพระพุทธเจ้าศีลและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นและพออนุนโมทนาให้พอ